ค่อยฝึกนะเราจะเข้าใกล้ น, นิพพานไปเรื่อยๆโลกมันก็พยายามต่อต้านมพยายามดึงดูดเราไม่ให้ไปนิพพานเราต้องอดทนสู้กับมันนะค่อยๆต่อสู้สะสมของเราทุกวันทุกวันเหมือนเขาปล่อยจรวดนะไปดูเวลาเขายิงจรวดนะตอนที่ติดเครื่องยนต์นะให้จรวดขยับตัวโหย้ยขึ้นยากนะ พ่นไฟพ้นควันอะไรออกมาเยอะแยะเลยพอมันขึ้นไปแล้วมันก็วิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นไปเรื่อยๆนะพอออกนอกโลกไปแล้วหมดแรงดึงด่วนวิ่งเร็วจีเลยการภาวนานี้ก็เหมือนกันนะเริ่มต้นนี้อืดมากเลยกว่าจะสงบสักนิดหนึ่งก็ยากทําอะไรก็ยากไปหมดเลยพอฝึกมากเข้ามากเข้ามันเหมือนจรวดที่ปล่อยไปช่วงหนึ่งแล้วลอยสูงขึ้นไปแล้วห่างโลก อ, ออกไปแล้ว มันยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นจิตนี้ก็เหมือนกันนะมัยิ่งเบายิ่งสบายยิ่งปโปรง่งใจมันไม่ยึดถือมีความสุขความยึดถือมันก็เป็นแรงดึง ด, ดูดยึดถือลอกมันกดึง ด, ด, ดูดอยู่กับโลกนะี่นะยึดถือในกามาโลกนะ่ะโลกอย่างที่คนทั่วไปรู้จักก็ติดอยู่ตรงเนี้ย ล, ล้มลุกคลุกคลานไปอย่างนั้นนะ่ะนึกว่ามีความสุขัเต็มปานานะไปกินเหล้าเฮ ห, หา มีความสุขแล้วเกินคนที่พัฒนาจิตใจแล้วสูงขึ้นมาจากตรง น, นั้นก็เห็นว่ามันไม่มีสาระเัา ม, มีความสุขจากสมาธิแทนความสุขจากความสงบระดับสมาธิจนให้ทั้งค่อยฝึกตัวเองต่อไปนะหเห็นมีความสุขในสมาธินะปัญญาอย่างรู้ลงไปแล้วมันก็ยังไม่ยั่งยืนอีกนะใจเราคลาย ค่ๆห่างโลกอันที่สองห่างโลกอันที่สามออกไปในสุขพลโลกคำ ว, ว่าพลโลกก็คือคำ ว, ว่าโล ก, กุตตระนะนะั่นแหละใจมีความสุขมีความสงบมากขึ้นมากขึ้นนะเป็นลำดับไป